แน่ทํามาเยอะเ ห, หลือเกินเนาะน ะ, ะ, นนะต้องไปเข้าใจเรื่องกรรมอีกครั้งกรรมบางอย่างเป็น <ละ S 1> กรรมเนี่ยนะมันไม่แน่นอนนะว่ากรรมตัวไหนให้ผลนําเกิดใช่ไหม<ะ>เพราะบางอย่างเราทําคารุกรรมกันมีไหมไปฆ่าแม่ไว้เมือ่อ <franchise> ไหร่อ้าคารุกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระ อ, อรหันต์ทําสังฆเภทอย่างเงี้ย ไม่ได้นะ น, นั้นติกรรมไม่ได้ถ้ามีบ้างนั่นก็ย่เลยแย่คา <laughs> รุกรรมมีอย่างหนึ่งถ้าฝายดีนะได้ฌานด้วยเหรอนะถ้าได้ฌานและรักษาฌานอ น, นั้นไว้ได้จนตายด้วยไม่เสื่อมด้วยนะแค่ไหนเก็ออบอกว่าฌานที่จะปฏิบัติให้ได้ฌานนะคนทั้งแสนคนเนี่ยคิดจะปฏิบัติฌานมีไม่กี่คนหรอก ทีนี้ในคนหลายๆคนเนี่ยพันพันคนเลยอยากได้ฌานมาปฏิบัติฌานได้ฌานประมาณคนเดียวคนทําฌานพันคนจะได้ฌานประมาณคนเดียวเพราะแล้วคนที่ได้ฌานพันคนจะรักษาฌานไว้ได้ก็เหลือไม่กี่คนเองนั้นส่วนใหญ่เคยได้ฌานแต่ก็เสียฌานเสื่อมแล้วนั้นอย่างพระเทวทัพเนี่ยท่านได้ฌานไหมได้แล้วท่านก็เสื่อมไปแล้วนั้นถ้าท่านฌานไม่เสื่อมนะท่านก็ไม่ทําสังฆเพศท่านก็ไม่ตกนรก แต่เพราะท่านคิดจะทําสังฆเพศเป็นต้นเนี่ยฌานท่านก็เลยเสื่อมเพราะฌานเสื่อมปั๊บทําสังอันพระเทวทัพทำครุ ก, กรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วมันมีเงื่อนไขยอยู่ว่าถ้าฝ่ายดีนะห้ามเสื่อมถ้าไม่เสื่อมให้ผลได้แต่ถ้าเสื่อมกันเลิกไม่ให้ผลได้แค่ปกระตูอย่างเดียวไม่เป็นนานาคขันธ์นี่กกรรมปัจจัยแต่ถ้าฝ่ายชั่วนะถ้าคุณเป็นอนันตรียกรรมไปแล้วจะไปทําฌานอีกไม่ได้ฌานไม่เกิด หมดสิทธิ์ได้ชานเพราะเขาเรียกว่าเป็นกรรมอาวรทํากรรมเป็นอาวอเป็นเครื่องตั้นต่อการได้ชานดังนั้นคนที่มีเครื่องกั้นคือข้าพ่อข้าแม่ข้ า, ขาพระ อ, อรหันต์เป็นต้นเนี่ยอย่าว่าแต่สวรรค์นเนอะกลับมาเป็นคนอีกยังไม่ได้เลยชาติหน้ามันต้องไปนรกก่อนชาติที่สามค่อยไหว้ทิงแล้ว่าเป็นนรกก็พักเดียวนะไม่กี่แสนปีหรอก โอ้วัดตาของเราที่เวียนไหวตายเกิดเนี่ยน้ำตา ม, มากกว่าน้ำทะเลยาวกว่านั้นตั้งเยอะใช่เอานะถ้าหากว่าทางหูก็จะเป็นศัตรารมวิถีจิตจะเหมือนกันนั่นแหละเปลีย่ยนเปลี่ยนแต่เตนเสียงเสียงหนึ่งคำโอ้วิถีจิตเกิดประดับไปแล้วนั่นแหละ แล้วก็สัพารมต่อไปด้วยคันธารมปลิ่นราสารมรสโพธพารมที่เป็นปัจจุบันนี้จะมีแบบฟอร์มเหมือนกันแบบนี้คือว่าครั้งเดียวนี้อธิบายได้ห้าเรื่องเลยถือว่ารูปเป็นปัจจัยแก่นามเพราะว่าผลของอารมณะปัจจัยได้แก่มาไง <laughs> ผลของปัจจัยได้แก่น้ำปัจจัยได้แก่รูปนะผลของเขาได้แก่น้ำเพราะถือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอุปนิสัยสําคัญมากให้น้ำเกิดถามว่าจิตเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยไม่มีอารมณ์ได้ไหมอ่านะสมมติถ้าเดมาไม่พูดเลยโยมจะได้ยินเสียงอเดมาไหมมาได้ยินจิตที่ได้ยินเพราะมีเสียงเสียงเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อจิตที่ได้ยินมากจิตที่ได้ยินทั้งวิถีด้วย แล้วการได้ยินเนี่ยเป็นปัจจัยให้ไปเกิดการนึกคิดต่ อ, ตอไปอีกเรียกว่าอุปนิสัยปกตูอาทีนี้ในขณะเดียวกันนั้นขออธิบายอานันตักรชาติไปด้วยในตัวเลยอารมณ์เหล่านี้เนี่ยกลุ่มอารมณ์ที่เป็นปัจจัยแก่จิตอย่างนี้เรียกว่ากลุ่มอารมณ์มีอิทธิพลต่อจิตนะเรียกว่าอารมณ์มณชาติซึ่งเราเคยขึ้นครั้งหนึ่งครั้งก่อนๆว่า การศึกษาธรรมะนั้นควรเอาสามสามอย่างมาตั้งก็คือวัตถุวิญญาณแล้วก็อารมณ์ตัวนี้เสียงใั่ไหมเสียงก็จะอยู่แบบฟอร์มตัวนี้วิญญาณวิญญาณอันนี้เนี่ยทั้งวิถีเลยนะไม่ได้คําว่าวิญญาณนี้ไม่ใช่ดวงเดียวทั้งวิถีเลยมารวบให้มันเหลืออันเดียวใช่ วัตถุนั้นยังต้องมาประกอบเป็นวัตถุก็มาอันนี้วัตถุใช่ไหมแล้วก็จิตตชโูปอุตุชโูกอาหารชรูปในขณะที่วัตถุเกิดขึ้นเสียงเป็นปัจจัยแก่จิตและเจตสิกวัตถุก็เป็นปัจจัยแก่จิตและเจตสิกในภาพวิถีนี้เราไม่ได้เขียนวัตถุแต่ถ้าจะเขียนวัตถุเนี่ยนะ ตรงนี้ก็วัตถุหนึ่งวัตถุหนึ่งวัตถุมันเยอะะจเขียนตามนั่นเขียนไม่ไหวเพียงแต่ให้รู้ว่าจิตเหล่านี้เกิดขึ้นต้องอาศัยวัตถุท่าทางหูเนี่ยจิตตัวนี้เนี่ยอาศัยโสตวิญญาณอันนี้อาศัยหูเกิดถ้าจักรคูวิญญาณก็อาศัยตาเกิดถ้าเป็นโพธารล์อ่ะเลยไปหาโพธารล์โพธะเช่นแข็ง เยื่อพื้นนั่นแหะแข็งเนี่ยเกิดที่พื้นนะแข็งในตรงพื้นกายยะวิญญาณเกิดที่ขานน่นแหะแต่ขาตรงนั้นเนี่ยเรียกว่ากายยะภาษาทะโดยประมาณเรียกว่ากายยะภาษาทะบัญญัติเราเรียกว่าพื้นเท้าพื้นเท้านั้นแข็งนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยแก่โสตะ ไ, ไม่ใช่กายะวิญญาณที่พื้นเท้าส่วนจิตที่เหลืออาศัย หาทายาวัตถุเกิดอาศัยหาทายาวัตถุเกิดอาศัยหาทายเกิดตัวจิตที่เหลือนะตัวนี้เท่านั้นเองที่อาศัยอาศัยเท้าเกิดอันนี้ยสมมติวันนี้เป็นกายกายย่าวิญญาณถา้าถ้าพื้นนะถามว่าจิตตรงนี้เกิดที่ไหนเกิดที่เท้านั่นแหละก็บอกเราบอกกายยปาภาทาธาเนี่ยนึกตรงไหนดีกายยปาภาษาธา กายภาษ า, า, า, าท่าว่าไงนั่นแหละนั่นแหละเราแสดงว่าใช้ได้ใช้ได้เข้าใจดีแจ๋วแจ๋วเนี่ยต่อไปนะ อ, อ, อ, อ่าภวังคจิตดวงนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญต่ออติจารภวังเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญมากเลยนะต่อภวังคจลนะเอาทฤษฎีใหม่ก่อนว่าจิตเกิดทีละหนึ่งครั้ง ไม่มีใครเกิดความคิดทีเดียวสองความคิดไม่มีใครมีจิตพร้อมกันสองดวงไม่มีแฝดเพราะจิตนี้จะเกิดทีละขณะทีละขณะเท่านั้นจิตดวงเก่าต้องดับไปก่อนจิตดวงใหม่จึงจะเกิดขึ้นสมมติถ้าเก้าอีนน้นี้มีเก้าอี้ใบเดียวนะถ้าใครจะนั่งเนี่ยต้องเปลี่ยนกันนั่งนั่งได้ทีละคนมันนั่งซ้อนกันออกไม่ได้เพราะธรรมชาติของจิตเขาไม่เกิดซ้อนกัน แต่เมื่อดับไปแล้วเนี่ยจึงจะเป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นจิตดวงเก่าที่หมดไปแล้วสมมตินะจิตดวงนี้หมดไปแล้วเป็นปัจจัยให้จิตดวงนี้เกิดขึ้นมีข้อแม้ว่าต้องหมดก่อนนะอันนี้จึงจะเกิดขึ้นได้เรียกว่าอนันต ร, ประปัจจัยเพราะดวงที่หมดไปเนี่ยสำคัญมากต่อการเกิดขึ้นของจิตดวงนี้เป็นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัย อนันตรูปนิสสยะปั จ, จัยนัตถิปัจจัยวิคตะปัจจัยโอ้ได้หลายปัจจัยมากฟังไปก่อนนั่นแหละถ้าหากว่าไปอ่านมาก่อนบ้างนะจะไม่จะจะกล่าวบอกโอ้ใช่ใช่ท่านนะยมอ่านมาแล้วแต่นี้แสดงว่าไม่ได้อ่านมาเลยต่อไปนะผวังขจิตดวงนี้เกิดขึ้นมันไม่ได้ใช่นานขนาดนี้หรอกแป๊บเดียวแล้วมันก็หมดไป ขณะก่อนที่มัน เ, เวลามันหมดปุ๊บดวงนี้เกิดขึ้นมันคือว่าดวงที่หมดไปเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ดวงนี้อีกอย่างนี้เรียกว่าอนันตระปัจจัยดวงนี้หมดไปเป็นปัจจัยให้ดวงนี้เกิดขึ้นนี้เรียกว่าอนันตระชาติเพราะจิตมีเงื่อนไขว่าจะเกิดขึ้นทีละขณะทีละขณะทีละขณะขปัญจทวารราชนะดับไปกายยวิญญาณจึงจะเกิดกายยดวิญญาณดับไป สัมปติธนจิตจึงจะเกิดสัมปติธนจิตดับไปาสันติรณจิตจึงจะเกิดอย่างนี้เรียกว่าอนันตระปัจจัยอนันตระชาติสันติรณจิตดับไปาโวทัปณจิตจึงจะเกิดแต่เราเขียนมันให้มันเพือติดที่จริงมันอย่าลืมนะเกิดเทีดาดวงเท่านั้นเองโวทัปตะณจิตดับไปาชาวณะจิตจึงจะเกิดพวกนี้ก็ยังถือว่าเป็น อนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยนับิีปัจจัยนับถีแปลว่าหมดแล้ววิคตะปราดไปแล้วหมดแล้วปราดแล้วอันเดียวกันนั่นแหล ะ, ะความหมายเหมือนกันแต่คนละคำนั่นแหละทีนี้ชโวตพัปปนะเป็นปัจจัยแก่ชาวนะก็ด้วยอนันตระสมนันตระอนันตรูปนิสยานับถีวิคตะห้าปัจจัยเหมือนกันแต่พอชาวนะเนี่ยชาวนะดวงที่หนึ่งเป็นปัจจัยแก่ดวงที่สอง เพิ่มมาอีกหนึ่งปัจจัยคืออาเสวนะปัจจัยเสพอารมณ์ขึ้นเรียกว่าชาวนะชาวนะอาเสวนะปัจจัยมันเสพอารมณ์ขึ้นอะนะเดี๋ยววันต่อๆไปจะได้เอาวิถีเกี่ยวกับคล้ายๆอย่างนี้มาแจกอันนี้ฟังอาบุญไปก่อนถ้าถ้าหากว่าฟังแล้ววันหน้ายังติดตามอยู่สแสดงว่าสนใจถ้าวันนี้ถ้าหายไปเรื่ยก็สแสดงว่าไม่สนใจก็อดแจกไม่แจกแล้ทักทิ้งได้เลยทักทิ้ไม่เลยอ่า ถ้าชาวนะดวงนี้ดับไปชาวนะดวงใหม่จึงจะเกิดขึ้นชาวนะนี้ดวงดับไปชาวนะใหม่จึงจะเกิดขึ้นมันเกิดทีละดวงอย่างนี้แหละแต่มันเร็วความเร็วของจิตเนี่ยยากที่จะประมาณว่าในชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยจิตเกิดดับกี่ดวงเขาจึงมีสํา น, นวนว่าสํานวนนะเป็นแสนกฏเร็วมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจว่ามันเกิดดับเร็วแบบนั้นในชั้นของการปฏิบัติธรรม เพราะว่าถ้าเรามาคิดโอ้โหมันดับไปโอ้ยนัน่นนัตายแน่เพียนแน่แต่อย่างงี้ก็ไม่เต็มแล้วว่ามันดับก็ดับไปช่างมันเถอะแต่ว่าโทรศัมันเกิดดูมันดับไปแล้วมันดับไปแล้วไม่ใช่เด็มผมมีแต่ลายขึ้นใหญให่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไร น, น, นี่อะไรชวนะดวงนี้ก็ดับหมดดับไปเรืยเรื่อยเรื ย, รยพราะดวงดวงที่ดับไปแล้วเป็นปัจจัยแกต่ตาธรรมนะ ตถารมณะดวงที่หนึ่งดับไปก็เป็นปัจจัยให้แก่ตถาธรรมณะดวงที่สองตถาธรรมณะดวงที่สองดับไปก็เป็นปัจจัยให้แก่ภวังคจิตต้องดับไปก่อนนะจึงจะเป็นปัจจัยการดับแล้วเป็นปัจจัยอย่างนี้เรียกว่าอนันตรชาติอนันตระชาติไม่ใช่ชาติไม่ใช่ปัจจัยเดียวคำว่าชาติเป็นชื่อของกลุ่มใช่ไหมเป็นชื่อของกลุ่มเป็นชื่อของหมู่เป็นชื่อของประเภทคล้ายๆกัน เขาเลยเรียกว่าอนันตรชาตในอนันตรชาตทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมีอารมณ์มันเดียวเลยตั้งแต่ปัญจทวาราวัชณะจนถึงตัารมณะเนี่ยมีอารมณ์มันเดียวกันตามสมควรแก่ทวารถ้าทางตาก็มีอารมณ์มันเดียวกันคือสีถ้าทางหูมีอารมณ์เป็นอันเดียวกันคือเสียงถ้าทางจมูกมีอารมณ์เป็นอันเดียวกันคือ ท่าทางเล่นมีอารมณ์เป็นเดียวกันคือรถต้องปัจจุบันเท่านั้นและเป็นปัจจุบันนะขณะปัจจุบันนะขณะไม่เอาและสัน ต, ติอ่าปรมาถ ธ, ธรรมแบบนี้เนี่ยไม่กล่าวโดยสัน ต, ติจะกล่าวเฉพาะโดยขณะเท่านั้นวิชาปัฐานส่วนใหญ่กล่าวโดยขณะโดยขณะเท่านั้นโดยสัน ต, ตินี่จะกล่าวโดยเรื่องของวิปัสสนาเป็นต้น เร่อของวิปัสสนาเรื่องของเรื่องอื่นๆนะจะพูดโดยสันธติแต่เฉพาะโดยปัจฐานในอย่างนี้เนี่ยเป็นพูดโดยปัจจุบัน น, ขนัขณะหรือพูดโดยขณะแม้แต่อดีตก็อดีตโดยขณะแต่เป็นปัจจุบันสันธติแบบพวกเราแต่เป็นอดีตโดยขณะอันเราต้องต้องไม่ไม่สับสนอ <c oughs> ันสรุปแล้ววิถีจิต ท, ทั้งหมดเหล่านี้มีอารมณ์เป็นอันเดียวกันอันระหว่างอนันตระชาติกับ อนันตรชาติกับอา ร, รัมมณชาติเนี่ยสัมพันธ์กันแบบนี้ปัจจัยก็คือสีก็อยู่ตรงนี้แหละอนันตรชาติก็คือวิถีจิตที่เกิดขึ้นในขณะที่เห็นอยู่นี่แหละใช่ไหมไม่เรียงงั้นเราจะไปคุยกันรู้เรื่องเลยมันต้องต้องเรียงเพื่อสะดวกต่อการเรียนใช่ไหมก็มาแบ่งเป็นบัตเป็นตอนเป็นหมวดเป็นมูมแต่พอในชั้นชีวิตจริงๆเนี่ยทางตาก่อนไม่ใช่ไหมอยู่อย่างนี้ทางตาก่อนไหม ไม่แน่ต้องดูว่าอะไรด้วยใช่ต้องแยกยองแยกว่าเรื่องนั้นเรื่องอะไรใช่อ่ะทีนี้ต่อไปเลยก็กล่าวถึงเรื่องของสัมพันธ์การสามชาติเลยนะหนึ่งสหาชาตาชาติสองอารัมณชาติสามอนันตระชาติสามอย่างมามาสัมพันธ์กัน ก็ขึ้นสูตรเหมือนเดิมเปียเลยแอบทางมนโนทวารนะเลยนะมโนทวารเลยวัตถุนั้นต้องเป็นหทะยาวัตถุจิตนี้เอาชาวนะจิตเลยเอามหากุศลดีกว่าเนาะมหากุศลถ้ามหากุศลเกิดขึ้นนั้นทั่วไปแล้วกุศลจิตจะเกิดเป็นชุดหนึ่งชุดเรียกว่าหนึ่งชาวนะหรือหนึ่งวิถีชาวนานั้นประกอบด้วยจิต ธรรมดาโดยพวกเราทั่วไปมีอยู่เจ็ดวงมีพิเศษบ้างสามดวงอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยอาจจะสามดวงหรือภาษาวกทั่วไปบางองค์เช่นภาษารีบุตรอาจจะห้าดวงของพวกเราตอนที่จะสลบอะไรเงี้ยก็อาจจะห้าดวงได้เหมือนกันจ ะ, จะวูบจะวาบอะไรเงี้ยนะอาจจะห้าดวงแต่ถ้าปกติเต็มๆอยู่อย่างนี้ก็เจ็ดดวงเป็นหลักตรงนี้ได้ห้าแล้วนะ่ะหกอ่ะเจ็ดให้มันครบเจ็ด ในชาวนาจิตทั้งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยวัตถุรูปเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อาการเกิดขึ้นของของจิตนะถามว่าหาทัยวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของจิตดวงที่สองนี้ดวงที่หนึ่งนะดวงที่หนึ่งดวงที่สองดวงที่สามสี่ห้าหกเจด็ด ธาตยวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของชาวนะจิตดวงที่สองอย่างงี้ธาตยวัตถุอันนั้นเนี่ยต้องเกิดพร้อมกันกับชาวนะดวงที่หนึ่งธาตยวัตถุเกิดพร้อมกันกับชาวนะดวงที่หนึ่งเป็นวัตถุให้ชาวนะจิตดวงที่สองเกิดขึ้นอเขาเกิดก่อนนั้ น, น, นถ้าจะว่ดเตรียมไว้ก่อนก็ถูกเหมือนกันเอะได้ได้ได กรมันเตรียมไว้ให้แล้วใช่ขันห้าเป็นที่ดูบุญดูบับหาทายวัตถุที่เกิดพร้อมกับชาวนะดวงที่หนึ่งเป็นปัจจัยแก่ชาวนาจิตดวงที่สองโดยเป็นวัตถุปุเรชาตชาติโดยเป็นวัตถุปุเรชาตชาตินะจิตนอกจากทวิปัญจวิญญาณจิตในสิบให้อยู่ในเงื่อนไขอันนี้ นะอันนี้ตรงนี้เนี่ยนะสำหรับผู้ที่เขาเรียนมาหลายๆแห่งบอกก่อนว่าตรงนี้จะมุ่งอธิบายแบบโบราณอาจารย์ไม่เอาแบบอาจารย์สมัยใหม่ไม่เอาอาจารย์สมัยใหม่เอาทีติปัตะเอาไว้ก่อนนั้นไม่กล่าวถึงเพราะว่าถ้าเอาแบบโบราณอาจารย์นั้นมีที่อ้างอิงเช่นหาในวิสุทธิมรรคอะไรมาอ้างอิงพอได้แต่ถ้าเอาโบราณอาจารย์นั้นเป็นพระเถระสมัยใหม่กล่าวขึ้นมาอย่างเช่นพระเถระชาวพ ม, มา่า ในยะนั้นผู้ต้องการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องวัตถุแบบนั้นนั้นสามารถไปอ่านได้จากคำภีอ่าของอาจารย์โชนะปัะฐานของอาจารย์โชเขียนเอาไว้แต่ตรงนี้เนี่ยจะขอกล่าวตามคำภีวิสุทธิมัตหาทัยวัตถุที่เกิดพร้อมกั บ, กบกจิตดวงก่อนเป็นวัตถุให้แก่กจิตที่เหลือที่อาศัยหทยวัตถุเกิดเหมือนกันนั่นแหละ หาทายวัตถุเกิดพร้อมกับชาวนาจิตดวงที่สองเป็นวัตถุให้แก่จิตดวงที่สามหาทายวัตถุเนี่ยนะมันเกิดทุกอุ ป, ป า, าทิีติพังคะเพราว่าหนึ่งนี่หาทายวัตถุก็เกิดเกิดเกิดใช่ไหมอันหนึ่งชาวนาหาทายวัตถุเกิดเท่าไหร่เท่าไหร่เนะ สามคูณเจ็ดเท่ากับเท่ากับว่าหทายวัตถุเกิดยี่สิบเอ็ดครั้งแต่หาทายวัตถุที่เกิดพร้อมกับชวนะดวงที่หนึ่งเป็นวัตถุให้แก่ชวนะดวงที่สองหทัยวัตถุที่เกิดพร้อมกับชาวนะดวงที่สองเป็นปัจจัยแก่ดวงที่สามหาทายวัตถุที่เกิดพร้อมกับดวงที่สามเป็นวัตถุให้แก่ดวงที่ที่สี่หาทายวัตถุที่เกิดพร้อมกับดวงที่สี่เป็นปัจจัยให้แก่ดวงที่ หาทายวัตถุที่เกิดพร้อมกับดวงที่ห้าเป็นปัจจัยให้แก่ดวงที่หกของดวงที่หกเป็นปัจจัยแก่ดวงที่เจ็ดชักจะย่อไปเรื่อยนะแถวไปเรื่อยนะหาทายวัตถุที่เกิดพร้อมกับดวงที่เจ็ดเป็นปัจจัยแก่ผวังขจิตหรือตถา ร, รมณจิตอย่างนี้ไปเรื่อยจวบจนกว่าเกือบจุติจิตเกือบเกือบแต่ว่าเอาวิธีจิตสิบเจ็ดขณะจิตก่อนจุติ เอาไว้ทฤษฎีใหม่ครั้งหนึ่งอันนั้นเอาไว้ก่อนอีกครั้งซึ่งมีโอกาสเราจะได้เรียนแบบพิ่ตะดาร์แต่นี้ขอให้รู้เท่าว่าเราพูดแบบรวมๆแบบมีส่วนเหลือให้เข้าใจโครงสร้างปัจฐานแบบคร่าวๆท่าแบบมีส่วนเหลือนะโอ้โหถ้าอาทิตย์ละครั้งเนี่ยมายังนึกว่ากี่ปีจบเนาะยังถ้าเอาแบบพอรู้เรื่องไปเลยนะแต่ถ้าแบบแบบลวกไข่อย่างงี้ก็พักเดียวกระจบเหมือนกันถ้าไฟไหม่ฟางนี่มันไม่ยากนะไฟชั้นบนนะ แต่ถ้าไยไม่แกลบเนี่ยโอ้เมื่อไหร่มันต้งจะหมดเรียนมันไปไม่แกลบจริงๆเลยมันรียบไม่ได้เลิกก็ไม่ได้แม่เละห้ามดับก็ติดไปเรื่อยๆๆๆนั่นะกลมไม่ได้อา้าวทีนี้ในจิตเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่จิตต่ชรูปหมดเลยแต่ว่าจิตต่ชรูปเนี่ยมันสืบเนื่องกันมาตลอดเลยนะมันมันเป็นแบบเนี้ย วาดไปวาดมาช่องนี้จะเป็นเหมือนคนนะนะแต่ว่าคิดให้มันเหมือนกันแล้วก็วาดยังไงก็วาดไม่เหมือนให้คุณลุงมาวาดให้ดูนะแต่ว่าให้รู้ว่าในจิตเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยแก่จิตตะชูปแบบนี้อยู่ในเงื่อนไขว่านามเป็นปัจจัยแก่รูปในชาติที่หนึ่งคือชาติราชาติใช่ไหมนามเป็นปัจจัยแก่นามในตัวเองอะ จิตเป็นปัจจัยแกเจตสิกหรือสัมปยุตตะปัจจัยแกตัวเองอย่างนี้ว่านามเป็นปัจจัยแก่นามนามแต่ละดวงเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปอย่างนี้เรียกว่านามเป็นปจัจจัยแก่แก่รูปอย่างเงี้ยนี้เรียกว่าโดยสหชาติชาติหรืออาจจะเอาให้มันเด่ น, นเห็นสมมุติว่าปัญญาเกิดขึ้นชาวนานี้เป็นกุศลเป็นปัญญาปัญญานี้เป็นเหตุตุปัจจัย ปัญญาตัวนี้เป็นปัจจัยแก่จิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกับปัญญาปัญญานี้ทําให้เกิดจิตตะชรจิตตะชรูปอันนั้นก็คือเช่นพูดได้ไหมคนมีปัญญาพูดได้ไหมได้หรือมีปัญญาขณะที่มีปัญญาเดินได้ไหมจิตตะชรูปอันนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นจิตตะชรปสามัญจิตตะชรเกี่ยวกับการพูดการหรัวเราะปัญญาหัวเราะได้ไหม มหากุศล ส, สมมนัสหัวเราะได้ฉนั้นกุศลจิตเกิดไม่ได้แปลว่าต้องคริมตลอดไม่ใช่นะอะยิ้มแย้มแจ่มใสก็ได้นะหัวเราะก็ได้ด้วยมหากรุสนนะ่ะแต่ก็พิจารณาดีกันแล้วกันนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้ตรวจสอบให้ดีกันแล้วกันอเอาว่าปัญญาเนี่ยเป็นปัจจัยให้จิตแตชูปเกี่ยวกับหัวเราะเป็นต้นเกี่ยวกับสีหน้าท่าทางกิริยาอาการยืนเดินนั่งนอน เปต้นเกี่ยวกับอิริยาบทถือว่าเป็นเหตุปัจจัยหมดเลยอย่างนี้เป็นลักษณะของสหาชาตชาติเกือบสิบห้าปัจจัยเกือบเกือบอแต่ว่ารายละเอียดก็ว่าอีกทีให้เห็นเป็นภาพคร่าวๆก่อนอย่างนี้จิตเหล่านี้มีอะไรเป็นอารมณ์อารมณ์เหล่านี้เป็นปัจจัยแก่จิตทั้งหมดนี้เรียกว่าเรียกว่า อารมณมณชาตอันอารมณ์ที่ปัญญารู้นั้นเนี่ยเป็นทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันปัญญาเนี่ยรู้อารมณ์ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอันอารมณ์ที่เป็นปัจจัยแก่ปัญญาอย่างนี้เรียกว่าอารมมณชาตเพราะไม่ใช่ปัจจัยเดียวมีหลายปัจจัยเช่นถ้า ปัญญานี้มีกุศ ล, ลจิตอ า, อารมณ์ตัวนี้เป็นกุศลปัญกุศลรู้กุศลได้ไหมนะกุศลมีกุศลเป็นอารมณ์ก็ได้กุปัญญานี้ใฝ่ปัญญาด้วยกันถ้ากุศลใฝ่กุศ ล, ลด้วยกันเจริญกุศลเช่นคนที่เจริญเมตต์เมตตาแล้วปัญญาเกิดขึ้นเห็นอ น, นิสง์ของเมตตาก็เกิดความใฝ่ในเมตตาขึ้นอันเ้าเรียกว่าเป็นอารมมนาธิปติ กุศลเป็นอารัมมนาที่ปฏิปัจจัยแก่กุศลซึ่งรายละเอียดเราค่อยว่าต่อไปในอนาคตพูดให้หนลยได้บ้างแต่เพียงให้รู้ว่าที่ใช้คำว่าอารัมมาณชาตินั้นมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวนั่นแหละอารัมมาณชาติที่จริงคัมี์แจกไปแล้วน่าจะดูได้แล้วอนะสามอนันตรชาติ ดวงที่หนึ่งเป็นปัจจัยแก่ดวงที่สองเนี่ยดวงที่หนึ่งหมดไปแล้วเป็นปัจจัยแก่ดวงที่สองอย่างนี้เรียกว่าอนันตราชัดดวงที่สองที่หมดไปแล้วเป็นปัจจัยแก่ดวงที่สามอย่างนี้เรียกว่าอนันตราชัดดวงที่สามที่หมดไปแล้วเป็นปัจจัยแก่ดวงที่สี่เรียกอนันตราชัดแต่ในช่วงที่มันเกิดขึ้นมันทําจิตตะชุบด้วยเอาทีนี้ก็คือสหชาติชาติวกกลับมาคืนอีกนั้นในชีวิตของเรานั้นอ่ะทั้งสามส่วนนี้สัมพันธ์กันตลอด สัมพันธ์กันตลอดเลยนะชีวิตของเราเนี่ยปฏิเสธจิตตชิโรคได้ไหมปฏิเสธสีหน้าท่าทางเป็นต้นได้ไหมไม่ได้เพราะขนขณะที่บางคนเนี่ยนะอ่าปัญญาตัวนี้มีวิตกอยู่ด้วยใช่ไหมมิตกแปลแบบไทยๆเรียกว่าคิดวิตกคิดถึงกุศลโอบางคนเนี่ยกาลังนึกถึงกุศลด้วยด้วยจิตที่เป็นกุศลใฝ่ายในเรื่องกุศลโอยิมยนมแย็นแจ่มใสเฉยจิตตชิโรคก็เกิดขึ้นวิถีจิตก็สืบเนื่องไปเรื่อยๆอย่างนี้ เรียกว่าเป็นอนันตรชาติอารมณชาติและก็สหชาตชาติาตวัตถุเหล่านี้เนี่ยนะที่เป็นปัจจัยแก่จิตเหล่านี้เรียกว่าเป็นวัตถุปุเรชาติชาติที่ใช้คำว่าชาติเพราะว่าไม่ใช่ปัจจัยเดียววัตถุอันนั้นตต้องเป็นปัจจุบันเมื่อวัตถุนั้นเป็นปัจจุบัน จึงเป็นวัตถุปุเรชาตะนิสยะวัตถุปุเรชาติิวัตถุปุเรชาตะอวิคตะบ่งถึงความเป็นปัจจุบันนั่นแหละแล้วก็วัตถุปุเรชาตะวัตถุปุเรชาตะนิสยะวัตถุปุเรชาติทิวัตถุปุเรชาตะอวิคตะนั่นแหละวัตถุตัวนี้เป็นปัจจัยแก่ชาวนะเหล่านี้อืม ได้หลายปัจจัยซึ่งต่อไปอาทิตย์หน้าจะเอาภาพมาแจกนั่นแหละยังไม่แจกเลยเดี๋ยวเสียดายถ้าแจกเสร็จเอาไปเก็บไว้โหเสียดายแย่เลยเใช้วัตถุดิบไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่คุ้มค่าแต่ถ้ามาเรียนนะอาทิตย์หน้าสนใจได้แจกเลยเทา่ากับว่าอาธิบายเลยนะสีวัตถุปุเรชาตชาติ วัตถุปุเรชาติชาตินี่เป็นลักษณะนี้ว่าจิตทุกดวงเกิดขึ้นต้องมีวัตถุเกิดขึ้นจิตทุกดวงเกิดขึ้นอย่างไรต้องอาศัยวัตถุแน่นอนอันวัตถุของทวิปัญจาวิญญาณนจิตสิบคือหนึ่งจักรวัตถุเป็นปัจจัยให้เกิดจกักรวิญญาณโสตวิญญาณโสตวัตถุเป็นปัจจัยให้เกิดโสตวิญญาณคานวัตถุเป็นวัตถุให้เกิด ขานวิญญาณชิวหาวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของชิวหาวิญญาณกายยาวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของกายยาวิญญาณส่วนหะทายวัตถุเป็นวัตถุที่เกิดของจิตที่เหลือทั้งหมดเว้นทวิปัญจาวิญญาณาจิตสิบแล้วก็เว้นอารูปวิบากอันนั้นพิเศษเอาไว้ก่อนนะอย่างนี้เรียกว่าเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยอย่างนี้เรียกว่าวัตถุปุเรชาตชาต วัตถุกุเรชาตชาติาถ้าจิตมาดับพร้อมกับทารูปนั้นนะถ้ามีอายุมาจนถึงโวทัพณะเขาเรียกว่ามาดับ พ, พร้อมกับโวทัพนะเรียกว่าโวทัพณะวาระถ้ามาดับดแถวๆนี้ลงมาอีกก็ยังเรียกว่าโวทัพณะวาระเพราะโวทัพณะจิตเกิดซ้ําได้หลายหลายครั้งสมครั้งใช่ไหมสามครั้ง หรือถ้าเลยมาจนถึงชาวนะก็เรียกว่าดับพร้อมกับชาวนะเรียกว่าชาวนะวาระถ้าเลยมาอี ก, กเรียกว่าตทารมณะวาระไอ้ที่ที่เลยไว้วันนี้อีกก็ถือว่าไม่เป็นไม่เป็นอารมณ์ของจิตแล้วสีก็เป็นสีแต่ไม่เป็นอารมณ์ปัจจัยสีที่จะเป็นอารมณ์ปัจจัยได้นั้นจะต้องเป็นอยู่ในช่วงของโวทภนะวาร ะ, ะโวทภนะวาระอาจจะเกิดซ้ำหนึ่งครั้งสองครั้งสาครั้งก็ได้ นั่นแหละอย่างนี้เรียกว่าโวทัพนาวาระหรือเลยมากว่า น, นั้นอีกรูปนั้นมาดับพร้อมกับชาวนะโดวงที่เจ็เรียกว่าชาวนะวาระหรือมาดับพร้อมกันกับตถารมมนณะเรียกว่าตถารมมณวาระนั่นแหละส่วนรูปที่เหลือไม่เป็นอา ร, มรามณปัจจัยเมื่อไม่เป็นอารามณปัจจัยจิตอย่างไรต้องมีอารมณ์อยู่แล้วอาจจะไปคิดเรื่องอื่นก่อนในช่วงนั้นดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็ดูเรื่องอื่นไปก่อนใช่ไหมเข้าใจก็ ยงบอเข้าใจไหมค่ะเข้าใจแล้วค่ะฮะแต่พี่ว่าไอ้สีแดงนะไปสมมุติถ้ามันเกิดขยงกันแบบนี้เนี่ยนะถ้ามันเกิดขยงกันนิดหน่อยนะมันยังมันมันยังมาถึงเทนะได้นะจิตมันยังเกิดได้แล้วไม่เกิดเลยมันไม่เป็นอารมณ์เลยอันนั้นไม่ไม่เป็นอารมณ์เลยสิงนั้นก็หมดไปแล้วก็ไม่เป็นอารมณ์อ่าไม่เป็นอารมณ์เลยใช่แต่ว่าจิตมันคิดอย่างอื่นได้การที่มาฟังเสียงมันก็อังงี้นะ ใครเคยนั่งรถมั่งนั่งรถดูข้างทางมันดูไม่ทันอะแต่ทันกันแล้วมันไปใช่ไหมไม่ถอยรถไปดูแน่ไปเรื่อยอ่ะก็ขับต่อไปเรื่อยไม่กลับไปดูแล้วไม่ทันกันช่างเหรอนั่นแหละแล้วกันไปนั่นแหละก็เหมือนกับความเร็วของอารมณ์เหล่านี้ก็ไม่ต่างอะไรจากที่เราขับรถข้างทางดูเห็นบ้างไม่เห็นบ้างไม่เห็นก็ไม่สนใจแล้วนั่นแหละแว๊บๆก็แบบแว๊บๆก็มีโวทัพนาวาระนะแว๊บๆก็มีแต่รุ่มคืออะไรนั่นแหละว่านะถ้าหากว่าข้างม้ามันยาวนะ ไ ม, ม้บรรยายนี่นะมันเกิดมันมันเกิดสมบูรณ์เลยนะสิเจ็ดขนาดนี่นะถ้าปลายไม้นี่มันดับใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าตถาลัมพนาวาละเนี่ย<ม>เนี่ยครับเนี่ยนะอันนี้หมายความว่าเห็นรูปชัดเจนเรียกว่าอารมณ์ชัด อ, อ, อนี่ เ, นเรียกว่านะอาติมหันตารมณนะเป็นอารมณ์ที่ชัดมากางั้นแต่บางเออในรุ่นนี้เกิดก่อนเพราะฉะนั้นมันก็มันดับใแถวนี้เออมันก็ยังเห็นพ้องก็ถือว่าชัดแล้ว เ, เป็นอารมณ์ที่ชัดใช่ไเออ ทามา น, นี่ก็ยพอได้นะแต่ถ้านี่นี่ผม เ, <อ>เรียกว่าอารมณ์ที่ไม่ชัดเออพออันนี้นี่นะฮะคือโธรรมนะวาระนี่บางทีก็ยิ่งไม่ชัดนีกก็คือพวกอ่ายังยังเทก็อาตษฐานผวังเกิดซ้ำๆๆเสร็จ<อ>ก็ลงผวังเหมือนเดิมถ้าอย่างนี้ก็เป็นวาระที่ไม่ชัดเลยเอะพอเลิไปนี่ทับยับไม่รูร้อะไอ้รูปนี้ถ้ามันมีประโยชน์เลยเป็นสีแต่ไม่เป็นอารามณปัจจัย เช่นกำแพงก็อยู่ของกำแพงถ้าเราไม่เห็นก็ไม่ได้เป็นอารัมณะปัจจัยมถอดแว่นแลว้วมองดูมันไม่าดใสแว่นุ๊บออออพอได้พอได้เพราะตรงนี้มันเกิดซ้ำกันนี่มันก็อย่างที่ว่าคุณว่านะถ้ามันเกิดซ้ำกันมากๆด่มันคงจะชัดด้วยเหตุนี้ป่เช่นถ้าชัดด้วยเหตุนี้เก็คือเช่นอย่างแม่ขอมามองเห็นพวกการนี้ชัดเลยไงแต่ถ้าพวกการวิ่งรัดเนี่ยโหอาจะไม่ชัดนะโดยชาติเราได้กี่ชาละ ได้หนึ่งนะหนึ่งสหา ช, าาชาติชาติชอตอบตัวอีกครั้งหนึ่งจิตเจตสิกที่เกิดพร้อมกันและทำจิตตัชรูปด้วยเรียกว่าสหา ช, าาชาติาชาติสองอารมณชาติจิตรู้อะไรเป็นอารมณ์สิ่งนั้นเรียกว่าอรารมณชาติต่อไปสามจิตดวงใดที่ดับไปก่อนแล้วเป็นปัใจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้น อันนั้นทั้งหมดเรียกว่าอ น, นันตชาติจิตอาศัยวัตถุใดเกิดวัตถุนั้นเรียกว่าวัตถุปุเรชาตชาตินั่นแหละอันวัตถุนี้ถ้าในวิธีแบบนี้ส่วนทั่วไปเว้นทวิปัญจกเกิดที่หาทะยะวัตถุถ้าที่อื่นเกิดที่ภาษาทาจักขูภาษาธาวัตถุหรือขานาภาษาทาวัตถุเป็นต้นนั่นแหละ ทีนี้ต่อไปวัตถุปุเรชาตชาตินั้นวัตถุเป็นรูปวัตถุเนี่ยเป็นรู ป, ปธรรมเป็นปัจจัยแก่จิตเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมนั่นแหละรูปเป็นปัจจัยแก่นามชาติชาติตัวนี้นะถ้าในอนันตชาตินั้นนามเป็นปัจจัยแก่นาม<อ>ถ้าวัตถุปุเรชาติชาติรูปเป็นปัจจัยแก่ นามพอพูดอย่างงี้นึกถึงคุณยมสนั่นนะไม่เห็นมาบอกท่านท่านนามกับรูปเป็นยังไงนอย่างเงี้ยถต่อย่างงี้นรบเรื่อ ร, ร, ระบบไม่หมดเลยเอนะะต่อไปอีกชาติต่อไปเลยนีเรียนแบบเร็วนิดหนึ่งเยอะเราจะได้เรียนนีเรียนแบบนิเทศพอสมควรเดี๋ยวไปนิเทศเยอะๆกันอีกครั้งต่อไปห้า ห้าคือชาติอะไรปัจฉาช า, ชาติชาติปัจฉาแปล ว, ว่าภายหลังปัจจัยที่เกิดภายหลังตัวปัจจัยนี้เกิดภายหลังแต่เป็นปัใจจัยให้แก่ผลซึ่งเกิดก่อนอาถามว่าสิ่งนั้นได้แก่อะไร นามธรรมคือจิตเจตสิกเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยให้แก่รูปที่มีสมุธฐานทั้งสี่ซึ่งเกิดก่อนให้มีอายุอยู่ต่อไปได้ให้มีอายุอยู่ต่อไปได้ถ้าหากว่าจิตเหล่านี้ไม่เกิดต่อไปนะรูปที่จะเกิดต่ อ, ตอไปก็แย่ไม่มีกําลังถ้าจิตอ่อนกําลังมากรูปนี้อ่อนกําลังเช่นรู้สึก จิตเนี่ยจิตของเรามีกําลังน้อยรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ทอ้ทอถ อ, อยรูปพวกนี้เริ่มผิดปกติทันทีเลยมันอยู่ที่กําลังของจิตนะถ้าจิตเรามีกําลังมากจิตเรากําลังฮึกเขิมเป็นต้นเนี่ยนะรูปร่างกายของเราเนี่ยจะฮึกเขิมไปด้วยเพราะว่าถ้าจิตเราหมดกําลังหมดเรี่ยวหมดแรงไอ้โรคนี้มันก็ละห้อยไปด้วยเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงกับตายแต่ก็เกือบๆนั่นแหละ ัจิตที่เกิดหลังหลังถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อรูปสมุดฐานทั้งสี่ที่อยู่ในกายของเราทั้งหมดเลยนะจิตที่เกิดทีหลังเพราะรูปเขาอายุสิบเจ็ดขณะจิตใช่ไหมอย่างเช่นวัตถุเนี่ยวัตถุอันนี้หทยะวัตถุเนี่ยถ้าเกิดพร้อมกันกันกบชาวนะดวงที่หนึ่งนับไปเถอีกสิบเจ็ดวง น่นเลยจากชาวนะดวงที่หนึ่งเลยจิตไปจนถึงสิบเจ็ดวงจนถึงชาวนะจิตไอพวังขจิตนู่นแหละรูปหัตยวัตถุจึงจะดับไปในช่วงนี้จิตแต่ละดวงแต่ละดวงที่เกิดต้งแต่ดวงที่สองเป็นปัจจัยแก่หัตยวัตถุหมดเลยถือว่าเป็นปัจจัยให้หัตยวัตถุมีกําลังต่อไปให้หัตยวัตถุมีชีวิตอยู่ต่อไปนั่นแหละดังนั้นรูปภายนอกซึ่งไม่มี ไม่มีจิตเป็นปัจจัยเช่นอย่างประกาที่เขียนเนี่ยไม่มีจิตเป็นปัจจัยอะไรเลยจะต่างจากนิ้วมือที่มีจิตยังเป็นปัจจัยอยู่นั่นแหละดังนั้นถ้าหากว่าแยกเป็นธรรมดาเช่นจิตที่กําลังมีอยู่เนี่ยนะเป็นชาชาตปัจจัยแยกอารูปนะเราเรามายกเย็นรูปเช่นเลือดจิตของเราก็เป็นถือว่าเป็นปัจฉาชาตปัจจัยให้รักษาเลือดอ น, นั้นอยู่ต่อไปได้ รักษาเนื้อรักษาเอ็นรักษากระดูกรักษาเยื่อในกระดูกอจิตของเราเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อน้ําดีเป็นต้นเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อเรื่องมา้าเรื่องของหัวใจเรื่องของอะไรต่างๆเพฉะนั้นในจิตเหล่านี้ถือว่ามีเป็นปัจจัยต่อรูปร่างกายทุกส่วนโดยที่สุดแม้กระทั่งสมองเพฉะนั้นจิตที่เกิดลังนี่จะทําให้สมองเราดีขึ้นเป็นต้นถ้าใครจะมีความคิดที่ตื่นตัวไปตลอดนะ มีอิทธิพลสาคัญต่อรูปร่างกายทุกส่วนด้วยทั้งสีหน้าทั้งแววตาท่างอะไรทั้งหมดเลยแต่ไม่ใช่ในลักษณะจิตแต่โชติแสดงออกมานะแต่ทําให้จิตอันนั้นเนี่ยรักษารูปที่มีอยู่ก่อนนั้นแล้วอ่ะให้มั่นคงแข็งแรงดีขึ้นอย่างนี้เรียกว่าปัจฉาชาดชาติทั้งๆ ท, ท, ที่รูปกลุ่มนี้สมมติว่าเกิดพร้อมกับชาวนะดวงที่หนึ่งแต่ชาวนะดวงที่สองเนี่ยเป็นปัจจัยแก่รูปทั้งสี่กลุ่มนี้เลยฮาทายวัทโถนั้นเอ ปฏิสุทธิจิตนั่นน่ะกอัมาจิ ต, เ ห, จตเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นปัจจัยแก่รูปทั้งสี่สมุธฐานเป็นปัจจัยแก่อุตุชรูปด้วยเป็นปัจจัยแก่อาหารชารุปด้วยเป็นปัจจัยแก่จิตตะชรุปด้วยถ้าหากว่าจิตที่เกิดหลังๆเนี่ยมีปัญหา <inom S 1> <atención. S 2> จิตที่เกิดหลังๆเนี่ยเป็นจิตที่ไม่ดีทําให้รูปเหล่านี้ไม่ดีรูปไม่ดีเหล่านี้เนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่ชลุภัยให้เจ็บต่อไปข้างหน้าอีกได้อะไรมันเป็นปัจจัยที่ซ้อนกันไปอีกหลายเรื่องเลย ท่านปัจฉาชาติปัจจัยนั้นถ้าหากว่าเรารักษาจิตดีอันโรคบางอย่างรักษาที่ไหนรักษาที่ใจนะใช่อ๋ อ, อไม่ต้องกำลังภายในแค่รักษาจิตให้สบสบายบางคนรักษาโรกัพ่อได้แล้วนะแค่ทำจิตให้ดีเนี่ยโรคกพ่อดีเลยนั่นแหะรักษาจิตให้ดีพวกพวกนั้นดีพวกอะไรจะหลังเป็นปกติเป็นต้นบางย่ารักษาที่จิตอย่างเดียวขให้จิตเป็นกุศบ่อย กุศลจิตเนี่ยนะมันฟอกตัวเองด้วยฟ อ, อกอคุศลในตัวของจิตเจริญสิกด้วยและมันฟอกเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างกายผิวพรรณด้วยอั้นคนถ้าหากว่าอยู่ธรรมดาเครียดไหมถ้ากุศลจิตเขาเกิดบ่อยๆเขาจะเป็นคนปกติทันทีเลยอั้นโรคบางอย่างไม่ได้รักษาที่ที่ร่างกายถือว่ารักษาที่ใจปับ๊บจะรักษาในส่วนของปัจฉาชารปัจจัยด้วยและจิตเหล่านี้ทําให้รูปใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ทําให้จิตตะชรกเกิดขึ้น นั้นจะสัมพันธ์กันทั้งสี่สมุธฐาน อ, อย่างนี้เรียกของปัจฉาชาติปัจจัยอันนี้นามเป็นปัจจัยแก่รูปอย่างเดียวและนามเกิดทีหลังเป็นปัใจจัยให้แก่รูปที่เกิดก่อนแมแต่เกิดก่อนโดยอนุขณาดเดียวเกิดก่อนตรงนี้ก็ถือว่าเกิดก่อนต่อถือว่านามหลังๆเนี่ยเป็นปัจจัยหมดเลยนั่นแหละเพรา ะ, ะน น, นามครั้งหลังๆเนี่ยเป็นทั้งกุศลอกุศลหรืออพยปตาก็ตาม ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นปัจจัยแก่รูปทั้งหมดเลยจากคุูวิญญาณยังเป็นปัจฉาชาแต่ปัจจัยแก่รูปร่างกายที่มีสมุทรฐานทั้งสีนี้ด้วยถามว่าพอเข้าใจไหมใจก็แสดงว่าสะทานอันนี้นะง่ายปัจฉาก็คือนามเป็นปัจจัยแก่รูปอย่างเดียวเท่านั้นเอง วาระนี้ไม่ยากนะแต่มีเงื่อนไขว่าปัจจุบันหรือรูปนั้นต้องเป็นรูปปัจจุบันนขณะเท่านั้นอั น, น, นโอ้โหจิตดีดีตอนนี้เป็นปัจจัยไป ร, รักษารูปเมื่อวานที่แล้วเนี่ยนี้ไม่ใช่แล้วคนละงานกันเพราะฉะนั้นต้องรูปต้องเป็นปัจจุบันนะปัจจุบันนขณะเท่านั้นซึ่งรูปหนึ่งปัจจุบันนขณะ ข, ของรูปมีอายุเท่ากับสิบเจดขณะจิต ต่อไปชาติที่หกเลยเนาะชาติที่หกก็คือชาติที่หก อ, อะไรนะอะไรนะอาหารชาาหารชาติอาหารรชาติอืมีกแต่ละกลุ่นมนะก็คือกรรม จิตอุตูอาหารกามจิตอุตูอาหารในพูดแบบรวมๆแล้วในจิตต่ชรูปนั้นถ้าพูดโดยกราบนะพูดโดยกราบนั้น ต, ต่อไปด้วยหนึ่งปฐวีสองอาโปสามเตโชสีวายโยสีกลิน่นรสแล้วก็ โอชาเพราะฉะนั้นมีรูปแปะรูปในออตูชรูปก็มีรูปอยู่แปะรูปเหมือนกันก็คือปัตวีอโปเตโช ว, วาโยรูปเกรนรถแล้วก็โอชาแปะรูปในอาหารชรูป อาหารชะกลาบก็เหมือนกันมีแปดรูปคือสีเอปฐวีอาโปเตโช ว, วายโยรูปเกล่นรถโอชาแล้วก็ในกรรมมชรูปนี่มีรูปค่อนข้างเยอะหน่อยก็คือพวกปัาสาทรูป5้าปัสสะทรูป ชีวิตรูปภ า, ภาวะรูปแล้วก็หัตถยารูปที่เหลือก็ปฐวีอาปโปเตโช ว, วายโยปฐวีอาปโปเตโช ว, วายโยรูปกล่นรถแล้วก็โอชานั่นแหละ โอชาตัวนี้เนี่ยโอชาตัวนี้ชื่อว่ารูปอาหารรับปัจจัยรูปอาหารตัวนี้เนี่ยเกิดจากอาหารข้างนอกที่เรารับประทานเข้าไปปุ๊บไปทำอาหารกิจไปเป็นรูปอาหารที่มาหล่อเลี้ยงตายนี้ กายซึ่งมีตําเป็นสมุทฐานกายซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานกายซึ่งมีอุตุเป็นสมุทฐานโดยอาศัายโอชาภายนอกเข้าไปหล่อเลี้ยงในส่วนหนึ่งนะนะนั้นโอชาตัวนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อต่อรูปร่างกายมากเพราะนั้นสมัยใหม่นี่วิชานี้ถือว่าเป็นวิชาหลักเลยทั้งไปสอนในทางการแพทย์นะที่อ่านหนังสือทางการแพทย์จะเห็นสอนพวกนี้เป็นเรื่องหลักเลยเรื่องอาหารที่เข้าไปนะ พวกอาหารที่ทำให้เกิดสุขภาพต่างๆอาหารที่ที่อะไรบ้างที่มีเรื่องของรูปอาหารปัจจัยซึ่งในแง่นั้นเนี่ยถือว่าทางการแพทย์ก็อธิบายกันดีอยู่แล้วตันดาวก็ไม่ขอกล่าวถึงถึงกล่าวก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้วยแต่รู้ว่า ในคํำสอนของเรานั้นน่ะกล่าวถึงโอชาเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีสมุทฐานสี่คือกรรมเจตโอตุและอาหารนั้นรูปโอชาตัวนี้เป็นปัจจัยแก่รูปที่มีสี่สมุทฐานด้วยรูปอาหารปัจจัยรูปอาหารปัจจัยทําให้กายนี้เป็นไปได้จะอ้วนจะผอมก็อยู่ที่ ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่โอชาเหล่านี้ด้วยจะอ้วนจะผอมอาหารบางอย่างทานไม่อ้วนทานไม่มากแต่อ้วนเยอะอาหารบางอย่างทานเยอะแต่ไม่เคยอ้วนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อันพวกนี้ก็เป็นเรื่องของรูปอาหารปัจประนั้นรูปอาหารปัจประทาให้เกิดอวินิพกโครคแปดอนความสําคัญในธรรมะกลุ่มนี้นี่มีมากโต้งแสดงว่าผู้ใดกําหนดรู้โอชากําหนดรู้อาหารกะทลิงกะอาหารเท่ากับกําหนดรู้ ตามมาคูณห้าเพราะว่ากําหนดรู้สีถ้ากําหนดรู้อาหารอาหารส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดมาจากสีผิวพันธุ์บางอย่างก็มาจากอาหารนั่นแหละเ<อ>สียงก็มาจากอาหารด้วยนะองนี้นี่ถ้าหาว่าคนไม่ได้กินข้าวพูดกับคนกินข้าวพูดต่างกันไหมต่างกันเยอะมากไหมคนกําลังหิวพูดดูดินั่นแหละ ฉันถามว่าแม้แต่อาหารก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อเสียงด้วยเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อกลิ่นต่อรสและต่อโพธะะด้วยนั่นแหละนี่ถ้าเป็นลักษณะนี้เาเรียกว่ารูปอาหารชาติที่ใช้ธรรมชาตินี่มีเพิ่มว่าโอชานี้ต้องเป็นปัจจัยแก่รูปที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นก็เลยต้องเป็นอัติและอวิคตะ บ่งถึงความเป็นปัจจุบันว่าตัวโอชานั้นเป็นปัจจัยแก่รูปที่อยู่นี้ปัจจุบันนั้นรูปอาหารปัจจัยก็คงจะพอผ่านเนา ะ, ะที่เขียนกลมๆเยอะๆนั้นก็คือรูปกระลาบนั่นเองรูปกระลาปะรูปกระลาปะนั้นวิธีจำ ง, ง่ายๆก็คือวินิโพค ร, รูปปะก่อนนะวินิโพค ร, รูปปะคือ หนึ่งนะมหาภูตรูปสี่คือปฐวีอาโปเตโชวาโยหรือท่าดินน้ําไฟลมอย่างนี้เรียกว่ามหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่เรียกว่าอุปายายรูปสีกลิ่นรสโอชาสีเราเอารูปเหล่านี้เนี่ยอาศัยมหาภูตรูปเกิดหรือว่ามันติดอยู่กับมหาภูตรูปอยู่แล้ว เราะมหาพูทธรูปเนี่ยจะเห็นรู้ด้วยตาเนี่ยไม่ได้แต่ว่ามหาพูทธรูปมีสีแปะอยู่ในนั้นก็เลยทําให้รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมีมหาพูทธรูปเช่นกําแพงเนี่ยมีสีติดอยู่อ่ะเราจึงรู้ว่านี่มีมหาพูตรูปอยู่ตรงนั้นต้นไม้เนี่ยมีสีเราจึงรู้ว่าตรงนั้นมีมหาภูทรูปอยู่ด้วยเส้นผมผมเนี่ยมีสีเราจึงรู้ว่าตรงนั้นมีมหาพูทธรูปที่ไหนมีสีที่นั่นมีมหาภูทรูป ที่ไหนมีรูปารมที่นั้นต้องมีสามารถที่จะมีโพธภพารมได้อั่นแหละอย่างเช่นแก้วน้ำเนี่ยเรามองเห็นสีแต่มองเห็นสีอย่างถึงโพธภพารมได้ไหมยอย่างถึงธาตุดินได้ไหมได้ไหมมองย่งไม่ได้ถ้าคิดว่าไม่ได้ก็ไม่ได้คิดว่าไม่ได้ก็ไม่ได้คิดว่าได้ก็ได้เอาี้นะ ยอมสามารถมองออกไหมว่าเป็นน้ําเย็นหรือน้าร้อนเอาแล้วทําไมบอกไม่ได้แสดงว่าได้งั้นถ้าหาว่ามองเห็นว่าสมมติถ้าไอ้น้ำมองเห็นปั๊บจริงๆอะ่ะตาเห็นแค่สีเท่านั้นแหละแต่สุดถ้ามโนทวารวิถีรู้เลยว่ามีความเย็นหรือความร้อนอยู่ในนั้นด้วยถ้าไม่รู้อย่างนั้นน่าไม่มีใครรู้อะไรสักอย่างหระเชื่อไม่มีใครรู้อะไรสักอย่างงั้นเห็นแต่สีสิงั้นเหรอใช่ นั้นมโนทวารเนี่ยมันรู้ได้ทั้งอารมณ์ทั้งหกเลยมโนทวานนั้นสามารถรู้ทั้งสีด้วยรู้ทั้งกลิ่นรู้ทั้งรบรู้ทั้งโพธาภารู้ทั้งธรรมอารมณ์รู้ทั้งที่เป็นรูปและเป็นนามโดยอาศัยนิมิตคือรูปหรือเสียงสมมุตินะธรรมะที่เราจมาพูดทั้งหมดเลยจะว่าตรงๆเลยนะยอมได้ยินแค่เสียงสูงๆคำต่ำๆแค่นั้นเองนะคนภาษาต่างประเทศฟังไม่ออกแม้แต่คําเดียว ไปทําไมเราฟังแล้วเราคิดเป็นตุเป็นตาเป็นเรื่องเป็นราวหัวเราะบ้างคําบ้างใช้บ้างอะไรอย่อยางเงี้ยเพราะเพราะอะไรเพราะเสียงสูงสูงต่ำต่ำนะแต่พอพูดอีกภาพหนึ่งปุ๊บเราก็คิดตามด้วยอะไรด้วยทําให้เราไปเห็นภาพเห็นอะไรต่างๆตั้งมากมายนั้นมันเป็นนิมิตได้เหมือนกับป้ายบอกทางอะนะสมมติว่าป้ายนี้ยชี้ทางไปนูน้นเอ่าไปถนนเส้นโน้นนะพอเห็นป้ายปุ๊บเรารู้เลยสมายว่า ป้ายเนี่ยร้านอาหารอยู่ข้างทางไง ม, มีป้ายอยู่แต่ทําไมเรารู้ว่าข้างในมีอาหารตั้งแที่ข้างหน้ามีแค่สีเรารู้ด้วยว่าข้างหน้าข้างในเนี่ยเขาเปิดอาหารเพียงแต่เขาบอกว่าเปิดแปดถึงยี่สิบเอจุนนอรเรารู้ช่วงนี้ต้องมีขายแน่นอนเพระนั้นทางตาเนี่ยมันบ่งทางตาให้คิดรู้ได้ทางใจได้อะไรเพราะนั้นทางตารู้สีก็จริงแต่เป็นนิมิตให้รู้ทางมโนทวารต่อไปอีกได้ถ้าเป็นนิมิตให้รู้ทางมโนทวารไม่ได้นะ ทุกคนอ่านหนังสือไม่ออกหรอกไม่รู้ทไมขยี้ขยี้ขยี้ยี้อ่ะก็เคยเห็นไอ้ป็นคอมพิวเตอร์ออกมาไหมขยี้ยี้ที่ไม่ถึงประสงค์นะปินออกมาไม่รู้มอ่านว่าอะไรแต่ถ้าเป็นตัวหนังสือทั่วไปนี่เราอ่านออกเพราะสีเหล่านี้เป็นนิมิตให้เราคิดนึกตามอย่างถูกต้องนั่นแหละสามารถเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อชวนาจิตของเรามากให้เราคิดตามจินตนาการตามอะไรไปตาม แต่พวกนี้เป็นลักษณะของปกตูปานิสยาปัจจัยอ่าถ้าตรงๆแล้วสีที่เห็นเฉพาะหน้าเป็นอารามณะปัจจัยแต่สีอันนั้นเป็นนิมิตเป็นปกตูปะนิสยาปัจจัยให้เรารู้รู้เรื่องอื่นๆไปด้วยเช่นจริงๆแล้วตาเนี่ยจะเห็นแค่สีเท่านั้นรูปารมแต่รูปารมณนนี้เป็นนิมิตให้เรารู้ว่าเป็นหญิงเป็นชาย ทำให้รู้นิมิตว่าอายุเท่าไหร่มีหน้าที่อะไรมีการงานอะไรมีอาชีพยังไงเป็นคนภาษาไหนอะนะก็โหแค่คนหลายคนมองเห็นนะมาก็รู้แล้วก่มาทางโน่นแน่สารตอนใต้มึง ค, คนก็บอกเลยนะบอกเออใช่ถ้าสีมันก็เป็นนิมิตแล้วแม้แต่สำเนียงการพูดก็ยังบอกถองท้องถิ่นด้วยสำเนียงสอนภาษากิริยาสอนะกุลเป็นต้นนะนั่นแหละกริยาท่าทางก็สอนนิสัยใจคอด้วย นัาะมันจึงอ่านออกกันได้โดยความเป็นเถ้าเฉพาะอารมณ์ตรงๆเลยเนี่ยเป็นแค่อารมณะปัจจัยแต่นิมิตรเหล่านั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เราไปคิดนึกจินตนาการเรื่องต่างๆอีกต่อไปอภาพอันนั้นจึงเป็นอารมณะปัจจัยตรงๆแต่เป็นปะกระตูปะนิสยปัจจัยอีกเรื่องหนึ่งะนะเป็นเวกมหาปัจจัยอยู่มีแค่ สีปัจจัยแต่การจัดในลักษณะนั้นเราไม่สามารถส่งเข้ามาใช้ในชีวิตได้คือหรืออาตมาอาจจะไม่เคยคิดในแง่นั้นก็ได้แต่เป็นคนที่คิดแต่ในเรื่องของชาติของปัจจัยถ้าส่วนใหญ่แล้วก็ถ้ามองเป็นชาติปุป๊บเราจะมองมาใช้ในชีวิตได้แต่ถ้ามองในยะอื่นในเรายังมองไม่เห็นว่าเอจะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราโดยสัมพันธ์กันอย่างไรคือคือไม่เคยคิดอะนะบอกไม่รู้ก็เกรงใจ เนะฮะเรารู้เลยนะครับว่า อ, อ๋อพอพูดรูปอาหารอาหารละลัตถิอาหารนวิกาตาเนี่ยเรารู้เลยคบว่าอาหารคืออะไรใช่ไหม jer? แต่ถ้ า, ายังไม่รู้เรื่องนี้เลยเนี่ยนะฮะเราก็เรามาอ่านในนี้ไม่รู้เรื่องนะแต่รูปนี้ก็มาจากวัดจากแดงฮช่ัวเนี้ยถ้าท่านออกมานี่นะะ ไ, ไม่รู้ไม่ทราบย่างย่ย่า ง, ง, งบางคนถึงได้จากมือสิสิ่กุนกุฏิถึงจะได้จากคนอื่นไม่มีสิทธนะคนไหนกนกุฏิได้จาก เหรอฮะแสดงว่าแค่จักขูวิญญาเนี่ยนะคิดเห็นแว็บเดียวเนี่ยนะมีปัจจยัยกี่ปัจจัยมีครับมีถึงสี่สิบเอ็ดปัจจัยเน่มีถึงสี่สิบเอ็ดปัจจัยไม่ใช่น้อยเลยนะอ่าสี่สปัจจัยมีอะไรบ้างมีตั้งแต่ตระกูลสหชาติสิบปัจจัยตระกูลอารมณชาติ สปัจจัยอนันตระชาติห้าปัจจัยโอ้เยอะแยะเลยรวมแล้วสี่สิบเป็ปัจจัยนะถามว่าปัจจัยพวก น, นี้มีความสําคัญไหมมีมากเลยนะเพราะว่าการที่เราจะเห็นว่าอะไรไม่ใช่สัตว์ก็่ใช่บุคคลเนี่นะไม่ใช่ไม่ว่าเป็นอ น, นัตตาจริงๆนะว่าทำทั้งหลายนั้นมันไหลามาแต่เหตุนะทำทั้งหลายนั้นเกิดมาตา่เหตุแต่ปัจจัยเนี่ยถ้าเราไม่รูนะ้ในอันนี้เนี่ยนะ เราก็ไม่เข้าใจความหมายอันนั้นสังคตธรรมก็ดีสังขารธรรมก็ดีเราก็ไม่เข้าใจอย่างนั้นได้ยินแต่เชื่อสังขารธรรมวิสังขารธรรมสังคตตาธรรมสังคตตาธรรมเราได้ยินอย่างนั้นใช่ไหมไอ้คาว่าสังขารธรรมก็ดีสังคตธรรมก็ดีนี่แหละมันมาจากไอ้ปัจจัยเหล่านี้เลยแหละมันมาประกอบเันเข้าวปรุงแต่งเป็ น, ปนข้าเนอะถ้าอันนี้มันขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ถ้าสองพันสำคัญปั๊บนี่นะ้องไอ้มันเกิดไม่ได้เลยนะจะบอกให้ แเมื่อจิตเห็นเนี่ยนะถ้าจิตเห็นนี่นะถ้าเกิดมันไม่มีแค่ปัจตูปนิเสียปัจจัยอย่างเดียวอะคือแสงสว่างอย่างเดียวเนี่ยนะการเห็นเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอีกตั้งสี่ิเอปัจจัยเนี่ยเราคิดดูทีมันมีความสําคัญแค่ไหนนี่เราจะเห็นความเป็นอนัตตาของเขาเนี่ยมันมันมันเป็นอย่างนี้เราเห็นความเป็นสังขารธรรมเขาอย่างนี้ครับแค่การเห็นข้างหนึ่งนะถ้าไม่มีแสงเนี่ยแสงสว่างเนี่ยการเห็นนั้น การเห็นแข็งนั้นหรือว่าจักขูปิญญาณนั้นเกิดไม่ได้เลยนะหรือสองถ้ากรรมแนดีนไม่ส่งผลมาให้ให้เขาเห็นสีอย่างนั้นนะถ้ากรรมนั้นไม่ส่งผลหรือว่าไม่มีกรรมันนั้นนะการเห็นขนาดนั้นก็เกิดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะนี่ว่าแต่ละปัจจัยนี่มีความสําคัญมากๆเลยหรือว่าถ้าขาดตระกูลวัตถุนะถ้าหาว่าเกิดตระกูลวัตถุไม่มีสักอย่างนี่นะหมายความว่าจิตไม่มีที่เกิดอ่ะเพราะจิตไม่ต้องเกิดที่วัตถุอะ่ะ ถ้าวัดตัว น, นี้ได้ยางนึงก็จบเลยเกิดไม่ได้เพื่อนได้เห็นว่าโอ้โหมันสำคัญเลยนะทุกปัจจัยเลยนะครับหายเหนื่อยแล้วครับแดี๋ยวเพิ่มปัจจัยตรงนี้อีกหน่อยเพราะเวลามันจะหมดล <c oughs> ะเมื่อกี้นี้เอาโอชามาคือจะเหลือไว้สองปัจจัยสองชาติซึ่งเราจะได้กล่าววัดเสาหน้าชาติที่เจ็ดนั้นก็คือเอารูปชีวิตขึ้นมาก่อน รูปชีวิตเพราะฉะนั้นเราขอตัดต่อเอาตอนนี้ออกมาตัดต่อเฉพาะกลุ่มตรงนี้ออกมาตรงนี้คือชีวิตแต่รูปฉันเขียนให้เต็มๆก็ต้องเขียนเป็นอาวินิโพรรูปขึ้นมาก่อนว่าในรูปหนึ่งกลุ่มนั้นประกอบไปด้วยปฐวีอาโป เโชวายโยสีเกล่นรสโอชาแล้วก็ชีวิตแล้วก็ภาษาทร 5, ารูปผ้าภาวะรูป ชีวิตเนี่ยนับว่าเป็นในอุปาทัยรูปนยะอุปาทัยรูปที่เป็นปรับใจอ่ะก็คือชีวิตรูปเนี่ยเป็นชีวิตหล่อเลี้ยงอัตภาพหล่อเลี้ยงกรรมไมชรูปให้กรรมม่ชรูปนั้นอ่ะมีอายุอยู่ต่อไปได้นั้นเขาทําหน้าที่อนุบาลคอยรักษาทั้งๆ ท, ที่รูปนามเหล่านั้นเนี่ยมันก็เกิดดับของเข้าไป แต่ความสำคัญของเขาเหมือนกับน้ำที่หล่อเลี้ยงดอกบัวไม่ให้เหี่ยวเฉานั้นความสัมพันธ์ของชีวิตตะรูปเนี่ยเป็นลักษณะนั้นถ้าหากว่าชีวิตตรูปดับถ้าเกิดดับนะดอกบัวที่มันเหี่ยวแล้วเนี่ยเราเอาไปตากแดดไว้เสร็จแล้วเอาน้ำมาประพรมรดเป็นร้อยม่อเนี่ยจะสดคืนได้ไหม สดคืนไม่ได้ชั้นใดก็ดีรูปร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าผู้ใดทำชีวิตตินรีของเราให้ดับ น, นะหมอดีขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะชุบคนตายให้ฟื้นขึ้นมาได้งนั้นชีวิตตินรีนั้นถือว่ามีความสำคัญต่อชีวิตมากงนั้นปลุที่เจ็ดก็เป็นเรื่องของรูปชีวิตล่อเลี้ยงรักษากัมมาชรูปกรมมาชรูปนั้นก็คือหนึ่ง กรรมชรูปคือจักขูปภาษาทารูปสองกรรมชรูปคือโตสตปภาษาทรูปสามคานะภาษาทรูปสี่ชิวหาภาษาทรุปห้ากายยะภาษาทรุปกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังกายคือเนื้อ